ทีนี้ต่อไปเอา้าเมื่อไม่ล่วงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อินทรีย์สังวรละ่ะตามองเห็นใจเป็นโลภะไหมละ่ะถ้าเป็นนี่ก็ไม่ใช่ศีลละเห็นแล้วเป็นโทสะไหมถ้าเห็นแล้วไม่พิจารณาพวกนี้ก็ไม่ใช่อินทรียสังวรศีลในทุกอารมณ์เลยทั้งรูปรูปเสียงกลิ่นรสโพธาและธรรมอารมณ์ทํายังไงจึงจะมีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเมื่อกี้นี่อาชีพเบ็ดเสร็จแล้วอาชีวะปาริสุทธิ์ศีลกล่าวไปแล้ว ทีนี้สิ่งที่เครียกว่าเครื่องอำนวยความสะดวกทุกชนิดที่เรียกว่าปัจจัยสีเนี่ยนะเครื่องนุ่งห่มพิจารณาหรื อ, อยังเนี่ยนะอาหารที่รับประทานเข้ามาเนี่ยนะที่ทำให้ร่างกายดำรงอยู่นี่พิจารณามาแล้วใช่ไ้ยที่อยู่อาศัยที่นั่งเป็นต้นเนี่ยนะทีจารณาแล้วยา ก, ก็ชำระพื้นฐานอันนี้ให้ดีก่อนทั้งหมดเลยนะชำระแบบนี้ให้เป็นไปอย่างสืบเนื่องในชีวิตทาให้บ่อยคิดให้มาก เมื่อกุศลธรรมเหล่านี้เกิดมากแล้วก็ลองเจริญพุทธคุณดูเนี่ยนะถ้าถ้าการเจริญกุศลศีลเนี่ยนะเป็นไปโดยลำดับอย่างดีแล้วพุทธคุณเจริญไม่ยากจะทราบซึ้งในพุทธคุณจริงๆเลยเนี่ยนะพุทโธนี่ก็ลึกซึ้งแล้วนะนะพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนหรือว่าโลกวิทูแต่ละคำนี่ลึกซึ้งหมดเลยแล้วทีนี้สมถะวิปัสสนาเอาเรื่องขันมาปารลบเลย ขันรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตนี่เป็ น, นอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบะละเอียดเลวปณีดใกลใกล้เนี่ยนะไอ้รูปที่เป็นอดีตอย่างไรรูปที่เป็นอนาคตอย่างไรรูปที่เป็นปัจจุบันนี่เป็นอย่างไรและรูปที่เป็นอดีตเกิด จ, จ, จ, จากปัจจัยใดรูปที่เป็นอนาคตเกิดจากปัจจัยใดรูปที่เกิดจากปัจจุบันนี่เกิดจากปัจจัยใดรูปภายในเกิดจากปัจจัยใดรูปภายนอกเกิดจากปัจจัยใดเนี่ยนะ เมื่อมีความรอบรู้ในปัจจัยเหล่านั้นทั้งหมดดีแล้วก็ใคร่ครวนต่อไปรูปทั้งที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงเพราะอธิษฐาว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะอธิษฐว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะรูปที่เป็นอนาคตเหมือนกันรูปที่เป็นปัจจุบันรูปภายในรูปภายนอกอย่าละเอียดเลวปณะนกีก็มาทําตรีรณปริญญาทั้งหมดเลยแล้วก็ในแต่ละส่วนเนี่ยรูปที่เป็นอดีตก็มาแยกสมุทฐานอีกเนี่ยนะ รูปที่เป็นอดีตที่มีกรรมเป็นสมุทฐานเป็นยังไงที่เป็นจิตตะสมุทฐานเป็นยังไงที่เป็นอาหารสมุทฐานเป็นยังไงก็มาวิเคราะห์โดยการไข่ครัวโดยตรีรณะปริญญาเ อ, อางนะแล้วก็มองชีวิตทั้งสังสารวัตเลยแล้วก็ประมวลมาเพื่อที่จะได้อะไรเพื่อที่จะได้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ัผู้ที่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้จะต้องเห็นโทษที่เรียกว่าสังสารวัตพอสมควรน่ะ น, นะโดยพื้นฐานอับทยาสายัยต้องเห็นโทษของชั้นต้นเลยวิบากก่อนกลัววิบากใช่ไหมก็คือเขากลัวทุกข์อะกลัวชาติทุกชราทุกพยาที่ทุกขมรณะทุกเพราะว่าเมื่อชาติมีชาติมีชราช ρα, แล้วก็ติดตามมาคืออะไรโรคต่างๆกรรมกรทุกชนิดเนี่ยนะความทุกข์ต่างๆเนี่ยนะแม้กระทั่งทุกในอบายเป็นต้นทีนี้ไอ้ทุกข์ทั้งหมดเหล่านั้นเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมใช่ไหม วิบากทั้งหลายที่เป็นทุกข์เหล่านั้นเกิดจากกรรมเนี่ยนะกรรมทั้งที่เป็นไปกับกายกรรมวิจิกรรมและมโนกรรมแล้วกรรมเหล่านั้นมาจากอะไรทำไมจึงจึงเป็นกรรมก็มาจากกิเลสเพรกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุแห่งกรรมเมื่อกรรมเกิดขึ้นวิบากวิบากเกี่ยวข้องก็ทำกรรมอีกละเอได้รับกิเลสเกิดกิเลสเกิดอีกกิเลสเกิดอีกก็ทากรรมใหม่ทีนี้ทายังไงล่ะ ไอ้วัตตะอันนี้จึงจะสิ้นสุดสักทีหนึ่งก็พองษ์บอกว่าปฏิบัติเพื่อเบื่อนายและละกิเลสนะปฏิบัติเพื่อละกิเลสเมื่อละกิเลสได้ทั้งหมดแล้วกรรมนี่จะแปลสภาพทันทีเลยกรรมนั้นจะแปรสภาพไปเป็นกิริยาเมื่อกรรมแปรสภาพเป็นกิริยาก็ไม่ให้วิบากเอาแล้วทีนี้ข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสอะทํำยังไงนี่แหละสิกขาสามที่ที่ที่กล่าวทั้งหมดเลยเนี่ยนะ ที่ทั้งกว้างขวางลึกซึ้งทั้งหมดเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะกําจัดกิเลสนั่นเองก็บอกว่ากิเลสเนี่ยนะข้อต้นเลยคืออวิชชาเนี่ยนะกิเลสถ้าถ้าตามแนวปฏิจจะนี้ขึ้นต้นด้วยอวิชชาเนี่ยนะเมื่อชีวิตขึ้นต้นด้วยอวิชชาและอวิชชาไม่รู้อะไรบ้างก็มาวิ น, นิจฉัยใหม่อวิชชาเนี่ยไม่รู้อะไรกันแน่เนี่ยนะอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไ ร, ไ ม, รไม่รู้อริยสัจ ไม่รู้ขอ้อะทุกขะอริยสัจทุกขะอริยสัจคืออะไรนะคืออุปาทานขัน อ, อุปาทานขันเหล่านี้เป็นไปกับชาติชราพยาธิมรณาโสกะปริเทวะทุกโธมณตและอุปาญาตเป็นต้นนั่นเองทีนี้ชาตินี่ก็มาวิจัยว่าชาตินี่ขอบเขตแค่ไหนชราพยาธิมรณาเนี่ยนะก็มาวินิจฉัยทั้งหมดเลยแล้วสมุทัยละ่ะ ก็มาวินิจฉัยเรื่องสมุทยัยทำไมตันหาจึงเป็นสมุทยัยแล้วนิโรธเนี่ยนะสงบระ ง, งับจากสิ่งเหล่านั้นนะสงบระ ง, งับได้ยังไงแล้วอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งนิโรธเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้คือความไม่รู้ในอริยศาสตร์สีก่อนใช่ไหมทีนี้อวิชานั้นก็ยังทํำยังไงอีกไม่รู้ในขันธ์ธาตุอรยตนะที่เป็นอดีตแล้วขันธ์ธาตุอริยตนะที่เป็นอดีตจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะ ทำไมเราจรึงไม่รู้แล้วจริงๆเขาเป็นอย่างไรขันธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตเออแล้วความจริงของขันธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรแล้วข้ออีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่7ก็คือทั้งอดีตอนาคตเนี่ยนะเป็นยังไงแล้วข้อสุดท้ายคือความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะแล้วปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงน่นะนะนะไล่ไปเลยอวิชชาเป็นยังไงสังขารวิญ ญ, ญาณ น, นามรูปสลายตนะภาษาเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอย่างไร ทีนี้ถ้าหากว่าอาวิชชาจะละได้โดยเด็ดขาดเนี่ยละที่ไหนละอย่างไรวิธีการละนี่มีกี่ระดับมีกี่ขั้นตอนนะโดยการศึกษาต้องมองออกทั้งหมดก่อนเนี่ยนะโดยการโดยการฟังเนี่ยนะเรียกว่าสุตรามยญ า, าเนี่ยต้องฟังออกทั้งหมดแล้วถ้าฟังออกไม่หมดนี่เราตีก็ฟังแล้วก็ไปไหนเนาถามเพื่อนเล ย, เลยศึกษา ไปไหนกันบวชมาทำอะไรเนี่ยไปไปกี่ก้าวแล้วเนี่ยเพราะในในการวินิจฉัยเรื่องศิกษาก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรามองชีวิตไม่ตลอดสายจริงๆนะที่เราจะฝักฝ่ายเจริญอธิสละศิกษาก็ก็ไม่อยากปร ะ, ะพฤติอ่ะเพราะไม่เห็นอา น, นิสงเราคิดดูนะวิชาหรือว่าไอ้สิ่งใดที่คนทั้งหลายเห็นอา น, นิสงนะ เช่นฟุตบอลเนี่ยนะเขาเห็นอันนี้สงว่าเขาดูแล้วเขาบันเทิงเนี่ยนะอดลับอดนอนเพื่อที่จะดูฟุตบอลอ่ะอันนั้นเขาเห็นอันนี้สงอ่ะอะอะไรก็ตามถ้าคนทั้งหลายเห็นอันนี้สงคนจะทําสิ่งนั้นโดยที่ไม่ไม่เลิกราเลยนะเนี่ยหมอย่างบางคนเนี่ยอดตาหลับขับตานอนตั้งหลายคืนเนี่ยนะเพื่อที่จะทํางานบางอย่างแล้วก็โยมอาจารย์หนึ่งมาเล่า ว, ว่านักวิจัยบางคนเนี่ยนะเขานอนวันละประมาณสี่ชั่วโมง วันละสามหรือสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองที่เหลือเขาทํางานวิจัยตลอดเลยวิจัยเพื่อที่จะหายตัวยาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยนะเขาบอกว่าทาอย่างนี้ติดกันมาห้าปีแล้วเนี่ยนะไม่เคยมีวันหยุดเลยทํามาติดกันมาหลายปีแล้วเนี่ยนะนอนวันละสี่สามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็อยู่อย่างนี้แหละตลอดเลยไม่มีเวลาไปที่อื่นเลยเพื่อที่จะค้นในตัวยาตัวนี้ขึ้นมานะจะสําเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังเขาเห็นอันนี้สองท่าเขาสําเร็จนะ ได้เยอะได้เยอ ะ, ย อ, ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าอย่างพระพิสูตสมัยพุทธกาลเนี่ยนะท่านเห็นอันนี้สองว่าถ้าท่านทำปเริญญาสําเร็จเนี่ยนะโสดาปติมาร์กเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทิปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิท่านว่างั้นเพราะฉะนั้นท่านก็จะเ พ, พียรพยายามแล้วก็จะมีพระผู้มีพระภาคเนี่ยให้กําลังใจเสมอเห็นไะหเพราะว่าทุกๆวันนี้พระองค์จะตรัสว่าดูกวามพิสูจน์ทั้งหลาย พุทุ ป, ปาโททุลโภการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนะเห็นไนหะการที่เธอได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากที่จะมีศรัทธาเป็นของยากที่จะได้บวชนี่เป็นของยากพระศรธรรมหาได้ยากการฟังธรรมก็หาได้ยากขณะก็ได้โดยยากอย่างเงี้ยพระอก็จะพระ อ, องค์ก็จะเทศอย่างเงี้เห็นไหมแล้วก็จะเห็นโอ้โหองนั้นเป็นโสดาบานันและองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นั้นสกทาคามีองค์นั้นเป็นอนาคามีเมื่อคืนเท้าสกะเข้ามาเฝ้าอย่างเงี้ยเรานี่ยยังไงนะ เขาก็จะตื่นตัวตื่นใจเขาก็ปฏิบัติกันมากมายก็บอกว่าผู้ชายที่ออกปฏิบัติในสมัยนั้นเนี่ยนะค่อนข้างมากเขาบอกเหมือนกับภรรยามากๆ่เอ๊ะจะเอาผู้ชายไปบวชหมดหรือไงก็เหมือนน <c oughs> เขามีด้วยนะสมัยนั้นนะคือสมัยที่เขาเห็นอ น, นิสงส์จริงๆนะแต่ว่าในในยุคหลังเราก็ไม่ค่อยเห็นอ น, นิสงส์กันที่ไม่เห็นอ น, นิสงส์ก็เพราะว่าไม่ได้ฟังอย่างบริบูรณ์นั่นเองที่ไม่ฟังอย่างบริบูรณ์เพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ครบ กาลยานามิตรอย่างบริบูรณ์ทีนี้กาลยานามิตรก็ไม่ใช่ว่าเกิดง่ายเนี่ยนะที่จะมีโอกาสได้มีบุญเนี่ยนะเกิดทันยกพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีสติมีปัญญามีความรู้ความสามารถของเรานะถ้าเกิดทันแม้แต่พระสิริมังคลาจารย์นี้ก็นับว่ามีบุญนนะนแต่ว่าเกิดไม่ทันท่านพระสิริมังคลาจารย์นี้เป็นพระเถระทาวเชียงใหม่ที่มีความแตกฉานทั้งพระไ ต, ตรปิฎกอัจถริยะดีกาเนี่ยนะ แล้วท่านสามารถเขียนหนังสือเป็นภาษาบาลีได้สบายๆคำพีของท่านท่านแต่งเป็นภาษาบาลีนะเห็นไหมอย่างพรนะรัตนปัญญาพระมีพ้าหลายองค์นะที่อยู่เชียงใหม่เลยที่มีความรู้ความสามารถสูงมากานะวันนี้ไปอ่านที่วันนี้ผู้การเขาพาขึ้นดอยนะไปกราบพระาธาตุไปยืนอ่านมีอยู่ซุ้มหนึ่งที่กล่าวถึงพระพระ ที่รจนาชินการมารินีปกรณ์นั่นนะพระหลายองค์เลยแต่ว่าอ่านแล้วก็คนลุกเลยบอกูเราไม่มีบุญไม่มาเกิดทันท่านเหล่านั้นเลยเนาะนนนะเพราะว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยแต่งคัมภี์เป็นภาษาบาลีนี่ย น, นะซึ่งมีความรู้ความสามารถมากชาวเชียงใหม่เรานี่แหละทำอะไรอยู่เนาะตอนนั้ น, น, นนะทีนี้ใน เรื่องศีลสิกขาเนี่ยนะเราก็อยากให้ให้สามารถทรงจํากันให้ได้ก่อนนะทรงจําให้ได้เมื่อทรงจําได้แล้วก็ค่อยๆเอามาทบทวนค่อยๆเ <c oughs> อามาตึกแล้วก็หา ข, ข้อมูลเพิ่ ม, มจนกว่าจนกว่าการฟังเป็นต้นเราจะ บ, บริบูรณ์เมื่อการฟังเป็นต้นเราบริบูรณ์เนี่ยนะเนดะี๋ยวยังไงเราก็ต้องเอาไปตึกแน่นอนจะต้องเอาไปเพ่งเอาไปเพียนเอาไปปฏิบัติอย่างแน่นอนเนี่ยนะขอให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซะก่อนขอให้มีสัมมาทิฏฐิ ถ้าบุคคลมีสัมมาทิฏฐิอย่างดีแล้วเนี่ยนะซึ่งสัมมาทิฏฐิมีเหตุมีปัจจัยอยู่สองประการด้วยกันปัจจัยเพื่อเกิดสัมมาทิฏฐิสองอย่างคือหนึ่งได้ปรโตโขโะเสียงจากเสียงธรรมจากผู้อื่นกล่าวม า, านะบางท่านแปลตรงเลยเขาบอกว่าเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าอะพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือปรตโขโะอาศัยนี่คือปโโัจจัยข้อแรกที่ทำให้เกิด สัมมาทิฏฐิข้ 2, iso, อสองโยนิโสมนัสิการเนี่ยนะอันนี้คือปัจจัยเพื่อการเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิเมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยนะจะไม่ให้มีสัมมาสังกปะได้ไหมเห็นไหมสมมติถ้าเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยที่เขาไม่เอาเรื่องนั้นมาคิดได้ไหมแค่ไปเห็นอารมณ์บางอย่างเนี่ยโอ๊ยเก็บมาคิดตั้งนานเห็นไหมอารมณ์บางอย่างที่ไม่นา่าเอามาคิดเลยก็ยังคิดกันตั้งมากมายเนี่ยนะแล้วถ้ามีความรู้ความเข้าใจในอารมณ์นั้นเป็นอย่างดี ที่จะไม่เอามาสัมมาสังกัปปะก็ไม่ใช่ฐานะทีนี้คนเราเนี่ยนะถ้าคิดเรื่องไหนมากก็จะพูดเรื่องนั้นสังเกตดูเลยนะใครคิดอะไรมากจำเดี๋ยวจะคำนั้นเดี๋ยวหลุดออกมาให้เห็นแล้ว น, น ะ, ะบางคนที่เก็บได้ดีเขาเขาก็าไม่พูดแต่โดยมากจะหลุดจะหลุดให้ฟังออกเลยว่าเอาคนช่วงนี้เขากําลังคิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะเพราะว่าอันนั้นวาจานี่ต่อจากสังกัปปะทีนี้เขาพูดอะไรบ่อยเดี๋ยวก็ไปทําอย่างที่เขาพูดล้อันนั้นเป็นกรรมมันตะ เพราะฉะนั้นกายกรรมวิจีกรรมก็เป็นไปตามนั้นทีนี้สิ่งเหล่านี้จะต้องทําด้วยความพยายามนี่นะทั้งสัมมาหรือมิจฉาก็ตามอันพระองค์ที่เรียงมักมีองค์8ก็จะลักษณะนั้นทั้งสัมมามักและมิจฉามักก็จะเรียงในแนวเดียวกันนี่นะก็จะสัมพันธ์ไปตามนั้นนั้นันพื้นฐานชั้นต้นเลยทํำยังไงที่ว่าความเข้าใจในภาษาธรรมคําสอนของเราให้บริบูรณ์ ซึ่งถ้าเราเข้าใจบริบูรณ์เท่าไหรนั่นแหละเป็นที่ถูชุกรรมของเราเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่ถูชุกรรมและบุญกิริยาวัตถุประเภทที่ถูชุกรรมนั่นแหละถ้าพัฒนาจนถึงที่สุดแล้วก็เรียกว่าสารณคมสารณคมก็แบ่งออกเป็นโลกิยะและโลกุตระสารณคมเนี่ยนะขันสมาธินี้เป็นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากจริงๆเลยเนี่ยนะทั้งสัมมารมรรคและ มิจฉามักก็เป็นทิฏฐิเหมือนกันแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะทีนี้สัมมาทิฏฐิของเราทั้งหลายนั้นถ้าหากว่าเราไม่เอาพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นําทางซอย่างเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบความคิดของเราว่าถูกต้องแหละเห็นไหมถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เราก็ตรวจสอบได้ถ้าเป็นสมัยนี้ทํำยังไงที่จะตรวจสอบว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยถูกหรือไม่เอาอะไรเป็นเครื่องเทียบเคียงละ่ะพเนี่ยนะสาธุ แสดงว่าวันนี้ไปนคนมาเยอะหน่อยไม่ได้ค้นนะครับเนีเพราะฉะนั้นต้องถ้าถ้าเป็นสมัยนี้จริงๆเนี่ยนะก็ต้องอย่างว่าภาพปริยัติธรรมเท่านั้นแหละที่จะเป็นสารณะเพราะจากอัตถกาถาหลายแห่งมากเลยนะว่าทำมังสารานังฆ่าฉามีได้แก่ปริยัติอริยมรรยผลและนิพพานเนี่ยนะคำว่าทำมังเนี่ยนะทำมังสารานังฆ่าฉามีเนี่ยนะ ทุกคำพีเลยแล้วเกือบทุกนิกายด้วยนะที่ที่ค้นคนเนี่ยนะประมาณหกเจ็ดคำพีเนี่ยพูดเหมือนกันเป๊ะเลยวราเองสมัยก่อนเขาก็ทําอะไรเหมือนเหมือนกันอยู่เหมือนกันตั <c oughs> ้งแต่คำพีรพระวินัยพระสูตรเนี่ยนะพระสูตรเกือบทุกนิกายเลยนะทีคันิกายก็มีเรื่องตายสารณคมนะมัชชิมณิกายสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายแล้วก็คุตตะกานิกายอิติวุตกะก็มีเรื่องตายสารณคม คุถกะปาถะก็ไตาสารณาคมขยายแนวเดียวกันหมดเลยอันภาพรปริยัติธรรมเท่านั้นเองซึ่งในพระสูตที่พงษ์บอกว่าเป็นเป็นอะไรเป็นตัวแทนของพระองค์อห็ะนไะหที่พระองค์บอกว่าดูกราอนอนทธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเรา คือเมื่อพระ อ, องค์ดับขันปริณิพานแล้วก็ธรรมวิไนัยนั่นแหละจะเป็นสารณะของเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นพื้นฐานการทรงจําพระธรรมคําสอนเนี่เอามาเพ่งเอามาพิจารณานี่แหละเป็นเป็นเบื้องต้นเป็นวิธีการชั้นต้นเลยที่ที่เราจะเข้าถึงสารณะไม่อย่างนั้นนะการปฏิบัติธรรมของเรานี่น่าคิดว่าเรากําลังทําของใครกันแน่ปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าของใครเนี่ยนะ อ่าถ้าเราปฏิบัติแล้วทําไปเพื่ออะไร <c oughs> จบยังไงจบเมื่อไหร่เนี่ยคือคือเรื่องนี้ก็อยากะตั้งใจเน้นเลยแหละ <c oughs> ตั้งใจเน้นเพื่อเราจะได้กําหนดทิศ ท, ทางของการศึกษาพระธรรมคําสอนถูกต้อง <c oughs> เพราะไม่อย่างนั้นนะอีกชาติหนึ่งละจะหมดอีกชาติหนึ่งแล้วนะเอาไอ้ม า, ม า, มาคิดเรื่องนี้ค่ง้างบ่อยเหมือนกัน <c oughs> นะมีใครมีอะไรมาปะ <c oughs> ก็พอสรุปตอนปัญหาที่ถามว่าทานกับศีลแ ต, แตกต่างกันยังไงก็คงจะมาลงตรงที่ว่าศีล เ, เป็นอธิศีลได้ทานอธิทานไม่มีแล้วก็ทานกับศีลที่แตกต่างกันเพราะว่ า, าพูดถึงว่าศีลเนี่ยมันมีศีลสิกขาแต่ทานละิีขาไม่มีแล้วก็ลักษณะที่เด่นที่สุดก็คือว่า อมันเป็นกุศลในการทั้งคู่แต่ว่ากุศลของศีลเนี่ยมันเกี่ยวกับสมาทานังเนี่ยกับอุปาทานังเนี่ยตรองที่แตกต่างกันมากๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ทานไม่ใช่ศีลศีลไม่ใช่ทานนี่ก็อยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมครับเจ็ดพ่ะย่ะและแลก็อย่างหนึง่งทานไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงโลกุตระธรรมครับแต่ว่าเป็นเป็นอุปนิสัย ให้ปฏิบัติเพื่อแทงโลกุตระธรรมเนี่ยนะเพราะว่าการให้บุคคลผู้ให้ทานและตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอริยสัจอันนี้ก็เป็นทานที่ดีนะเป็นเป็นสิ่งที่ควรตั้งอย่างเช่นถ้าชาตินี้นะเราไม่สา ม, มารถที่จะทําสิกขาเหล่านี้ให้บริบูรณ์อย่างเหมือนเราฟังและอธิศีลสิกขาเป็นยังไงอธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไรอธิปัญญาสิกขาเนี่ยเป็นอย่างไร ทีนี้ดูว่ากําลังของเรานี่จะน้อยเหลือเกินน้อยเหลือเกินทําไงก็ให้ทานเป็นต้นแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าด้วยผลแห่งกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อการแทงตลอดกุศ ล, ลธรรมเหล่านี้ของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะมีโยมคนหนึ่งนะเห็นโอ้เช้ามาเนี่ยตายบาดประลกประลกขอให้มีปัญญารู้แจ้งพระธรรมคําคสอนบ้างเถอะคำว่ากันนะให้ทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถ เจริญกุศลธรรมเหล่านั้นได้เนี่ยนะคือที่กล่าวเมื่อกี้นี่หมายคําว่าทานกุศลเนี่ยนะพูดในลักษณะเป็นอุปนิสัยให้ได้อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ไงว่าให้ทานและตั้งความปรารถนาเพื่อ mm. เพื่อให้เจริญอธิกุศลเหล่านั้นเพื่อแทงตลอดอริยสัจไงแต่ว่าทานกุศลจริงๆอ่ะตัวทานเนี่ยไม่ได้ทําให้แทงตลอดอริยสัจในขณะที่ให้นะ เว้นไว้แต่ว่าในขณะให้บุคคล น, นั้นมีความเข้าใจในเรื่องสมถาวิปัสสนาเป็นอย่างดีเนี่ยนะขณะให้เข้าเจริญสมถาวิปัสสนาได้เนี่ยนะอย่างที่ว่าไปพิจารณาถึงผู้ให้อะของที่ให้ผู้รับแล้วก็อย่างพวกนี้ลงขันธาตุอเยตนะแล้วใครครวนสงข้อลงอริยสัจเลยถ้าในขณะนั้นเป็นไปได้แต่ว่าผู้ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆเนี่ยนะเข้าใจในคําสอนจริงๆ แต่โดยการให้ทั่วไปแล้วใครก็ให้ได้เ น, นี่ยนะใครก็ให้ได้เด็กๆ ก, ก็ให้ได้แต่อธิศีลสิกขาเป็นต้นนั้นถ้าเป็นคนที่ไม่มีบุญจริงๆนั้นไม่สามารถเจริญได้เ น, นี่ยนะอธิศรและศิขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องรักษาหรอกเอาท่องก่อนเขาบอกว่าคนถ้าพระเนนไม่มีบุญบางองค์เนี่ยนะเจริ่ท่องปฏิโมกข์เมื่อไหร่เนี่ยก็ออกฟุ้งแล้วอะไรขะท่องเฉยๆนะเพื่อให้จําเชื่อนะเหมือนกับเราท่องสีหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ย ปฏิโมกของพระก็เหมือนกันบางองค์เนี่ยถ้าไม่มีบุญจริงๆท่องแล้วฟุ้งซ่านนะ <c oughs> ถ้าพระภิกษุที่เจริญกุศลขั้นศีลนี่นะแต่ไม่ได้มุ่งกุศลขั้นสูงนะอย่างนี้จะชื่อว่าอธิศีลไหมครับไม่น่าจะชื่อว่าอธิศีล น, นะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ยินดีในสเกตของพรหมจาจารย์นะนะก็ เรียกว่าสแสวงหาไม้แก่นพอไปเจอสเก็ตแล้วก็ติดอยู่กับสเก็ตนั่นแหละเขาาก็ไม่ถึงแก่นแหละแล้วก็ถ้าหากว่าศีลที่ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเทวดาเป็นต้นศีลเหล่านั้นก็เป็นลักษณะของเมทุนสังโยกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราจะได้กล่าวถึงความเศร้าหมองของศีลข้างหน้าก็จะมีพูดถึงนะถ้าหากว่าเจริญจตุปริสุทธิศีลดีแต่ตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นเทพนิกายผู้ใดผู้หนึ่งอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็น ความเศร้าหมองของศีลเหล่านั้นนนัเพราะว่าศีลที่ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นศีลที่เป็นไปที่เรียกว่า u, ธรรมานุธรรมปฏิปติเนี่นะเป็นกุศลศีลที่อนุวัตตามโลกุตระธรรมนี่นะการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เราต้องอนุวัตตามโลกุตระธรรมอย่างเดียวแม้แต่ยาณนะเนี่ยนะท่านใช้คําว่าสัจจานุโลมิกรยานวิปัสสนาญาณนี้ชื่อว่าสัจจานุโลมิกรยานเพราะว่าเป็นยานที่อนุโลมต่อการแทงตลอด อริยสัจเห็นไหมก็ต้องอนุวัตว่าแทงตลอดทุขกขสัตริย์แทงตลอดยังไงสมุทัยยังไงเป็นต้นเนี่ยนะต้องเอาพวกนี้มามาตรึกให้มากๆถ้าตรึกอันนี้ดีแล้วก็จะทําให้เห็นพุทธกุลบทว่าสัมมาสัมพุทโธเห็นไหมเพราะพระองค์นี่แทงตลอดสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่มีผู้สอนเลยอะ่ะผู้นั้นแหละคือสารณะของเรานะผู้นั้นแหละคือผู้นําทางของเราไป